ไปในทางให้ร้ายได้เหมือนกัน 16. วิชาภาคียะธรรมหรือธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความรู้ดูก่อนอีกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาคือวิชาภาคิยะสองอย่างเหล่านี้คือสมถะความสงบหนึ่งวิปัสสนาความเห็นแจ้งหนึ่ง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 สิคำอธิบายนิพพานธาตุสองอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุมีสองอย่างคือสอุปาที่เสสนิพพานธาตุกับอนุปาที่เสสนิพพานธาตุสอุปาที่เสสนิพพานธาตุเป็นไนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว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 ความสิ้นราคะโทสะโมหะของภิกษุนั้นเรียกว่าสุปาทิเศสนิพานธาตุอนุปาทิเศสนิพานธาตุเป็นชนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วมีกิจที่พึงทาอันได้ทาเสร็จแล้ววางภาระแล้วมีประโยชน์ของตนอันได้บรรลุแล้ว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 เราจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาวุธิแปลว่าความเจริญด้วยปัญญาท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหลความเสื่อมจากโคขซัย์ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยหรอกพิกสุททั้งหลายความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลายก็คือความเสื่อมจากปัญญาความเจริญด้วยโคขซัพย์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 เราจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาวุธติท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แลข้อความจากเอกานิบาตอังคุตรันิกาย2ี่สิจิตผ่องใสเศร้าหมองได้หลุดพ้นได้ดูก่อนอีกสุดทั้งหลายจิตนี้ผ่องใส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 ไม่ฉันอาหารของราษฎรไปเปล่าๆจะกล่าวใหญ่ถึงข้อที่พิกษุจะทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าข้อความจากเอกานิบาตอังคุตระนิกาย23กุศลอกุศลมีใจเป็นหัวหน้าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ฐานะนั้นย่อมไม่มีก็แต่ว่าฐานะนั้นมีอยู่ที่วิบากหรือผลของกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตจะพึงเกิดขึ้นให้หน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจฐานะนั้นมีอยู่ข้อความจากเอกนิบาตอังคุตรนิกาย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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมะอย่างนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณก็ระงับธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่หมายเหตุจากในหนังสือวงเล็บไว้ว่าขึ้นต้นอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน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 เมื่อเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติแล้วอวิชชาอันบุคคลย่อมละได้วิชาย่อมเกิดขึ้นอัสมีมานะคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อันบุคคลย่อมละได้อนุสัยคือกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องในสันดานทั้งหลายย่อมถึงความถูกถอนรากสัญญยทั้งหลายคือกิเลสที่มัดสัตว์ไว้ในภพอันบุคคลย่อมละได้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 หรือที่โบราณแปลว่าแทงตลอดเมื่อมาในลำดับแห่งปริยัติคือการเรียนปฏิบัติคือการกระทาปฏิเวทหมายถึงการได้รับผลของการปฏิบัติส2กายคตาสติกับอมะตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นไม่ได้บริโภคอมะตะ